วิญญาณพนเจจนจรมีได้อ ย, ย่างไรเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ข้าพเจ้าได้บอกว่าบุคคลผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้จะต้องเข้าสู่ภูมิอันเหมาะสมแกสภาวะของจิตใจของเขาตามผลแห่งกรรมที่เขาได้สั่งสมไว้ในโลกมนุษย์แต่ท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของบุคคลบางคนหรือวิญญาณบางดวงที่ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้ว ก็ย่างท่องเที่ยวเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายเสมือนคนหลงทางอาจเป็นได้ไหมที่วิญญาณเหล่านั้นไม่ได้รู้ตัวว่าตนได้จากโลกมนุษย์มาแล้วเรื่องเช่นนี้มีปรากฏอยู่เหมือนกันแก่ผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์เสียเลยและผลก็คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้จากโลกมนุษย์มาแล้วอันที่จริงก็น่านจะเป็นเช่นนั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยเพราะหลักความจริงย่อมมีอยู่ว่าชีวิตจะไม่หยุดหรือสะดุดขาดตอนลงทั้งในกรณีของบุคคลผู้หลงเหล่านั้นหรือในกรณีของผู้อื่นๆก็ตามเพราะเหตุที่กระบวนการแห่งธรรมชาติคือสิ่งที่เราสมมุติเรียกกันว่าความตายได้บังเกิดขึ้นสภาวะดังกล่าวนี้ มักจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์โดยปัจจุบันทันด่วนและโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่อการนี้เลยการที่เขาไม่ได้รับคำบอกเล่าวันถูกต้องเกี่ยวกับสภาวะที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ถึงแก่ความตายแล้วนั่นเองทำให้เกิดความงุนงงแก่จิตใจเป็นอย่างยิ่งและถ้าบุคคลนั้นๆเป็นผู้ที่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องโลกหน้าเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว ความสับสนยุ่งเหยิงแห่งจิตใจของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณแต่ทั้งนี้ก็จะเป็นไปเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะในโลกทิพย์มีองค์การที่กว้างขวางมหาศาลจึงย่อมจะไม่ปล่อยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นต้องเร่ร่อนไปตามยธากรรมตลอดไปในที่สุดดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะมีผู้ช่วยรับภาระพาไปสู่สถานที่อันเหมาะสมแก่เขา และภาระดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่เอ็ดวินรูธและข้าพเจ้ากระทํากันมาอยู่เป็นปกติเป็นเวลานานแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถยืนยันความจริงข้อนี้ได้จากประสบการณ์ของตนเองจริงๆแต่ภาระดังกล่าวของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆนักเพราะการที่จะชักนำและชี้แจงให้วิญญาณเหล่านั้นตระหนักถึงความจริงอันตนไม่เคยนึกฝัน หรือไม่เคยเชื่อถือมาแต่ก่อนย่อมเป็นงานหนักอยู่ไม่น้อยสภาวะแห่งจิตใจอันเป็นทุนของผู้นั้นมาแต่เดิมนั่นเองจะเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้เขาเข้าถึงความจริงได้โดยสะดวกแต่บุคคลผู้ไม่ดึงดันจนเกินไปโดยยอมรับแนวความคิดไม่มอยู่บ้าง <c oughs> ก็จะเห็นความจริงของสิ่งแวดล้อมของตนได้โดยง่ายดังนั้น ท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นความจริงแล้วว่าถ้าชาวโลกมนุษย์มีความรู้ในเรื่องโลกทิพดีกว่านี้บ้างแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองไม่น้อยทีเดียวอันที่จริงการจากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพนั้นก็เปรียบเสมือนการเดินทางอย่างหนึ่งนั่นเองธรรมดาบุคคลผู้จะเดินทางไปไหนก็ย่อมจะต้องมีกา ร, ราเตรียมสิ่งของเครื่องใช้และสเสบียงกลางไวลวงหน้า เพื่อวาจะได้ไม่ต้องลำบากในสภาวะที่ไม่ใช่ที่อยู่ของตนในขณะนั้นนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยทาั้งโลกซึ่งทุกท่านย่อมทราบดีและเห็นด้วยอยู่แล้วโดวยทั่วกันแต่ในขณะเดียวกันช่าง น, นาสลดใจในเมื่อคิดถึงความจริงที่ว่า <S <S การเดินทางจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกทิพย์ซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พน้นต้องออกเดินทางกันอย่างแน่นอนทุกคนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนั้น กลับดูเหมือนว่าพวกเราส่วนมากพากันปล่อยปลาละเลยไม่เอาใจใส่กันอย่างใดเลยทั้งที่มันเป็นการเดินทางครั้งสำคัญและมีความหมายยางเลิศเกินในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนหลายต่อหลายคนไม่ยอมแม้แต่จะคิดถึงเรื่องนี้อย่าว่าแต่จะเตรียมตัวเลยเขาสมัครใจที่จะปล่อยตัวไปตามยถากรรมจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเสียแล้ว แต่เรื่องที่ร้ายกว่านี้ก็ยังมีอีกบางคนแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คิดไม่ทันเพราะว่าการเดินทางของเขาต้องกระทำอย่างกระทันหันเลิศเกินท่านลองคิดดูทีหรือว่าในโลกมนุษย์นั้นมีใครบ้างไหมที่จะยอมเดินทางไปไหนมาไหนโดยมีผ้าผูกตาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขากำลังจะไปไหนไปไกลเท่าใด หรือไปสู่ที่ที่มีสภาวะเป็นอย่างไรดังนั้นจึงเป็นการที่น่าสังเวช ท, ที่มนุษย์ส่วนมากกลับยินดีเดินทางครั้งใหญ่จากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์ในสภาพแ่งจิตใจเหมือนกับคนที่มีผ้าผูกตาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาท่านทั้งหลายในโลกมนุษย์คงไม่รู้ไม่เห็นความจริงข้อนี้ทราบซึ้งเท่าใดแต่พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกทิพย์นี้ทราบประจักษ์เกลเจดีเหลือเกิน จากประสบการณ์อันจำเจที่เราได้รับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งเราก็พยายามช่วยเขาไปตามกำลังความสามารถเท่าที่พอจะช่วยกันได้ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้มีใช่เพื่อประสงค์จะติเตียนบุคคลเหล่านั้นแต่ประการใดตรงข้ามบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละจะโทษตนเองในภายหลังในเมื่อเขารู้สึกถึงความจริงและได้คิดแล้วและเท่าที่ปรากฏมา เขาก็โทษตนเองติเตียนตนเองเสียใจในความลงผิดของตนเองอย่างมากมายสมกับที่เขาได้ลงผิดมาเป็นเวลาช้านานเหมือนกันและข้าพเจ้าก็กล้ากล่าวยืนยันได้ว่ามนุษย์ส่วนมากเหลือเกินได้ตายจากโลกมนุษย์มาโดยคิดว่าตนเองยังไม่ตายเกือบทั้งสิน้นสำหรับส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอบอกว่า กับเจ้าออกจะมีโชคดีกว่าบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากที่ได้รู้ตัวจริงๆว่ากำลังจะออกเดินทางครั้งสำคัญนี้แล้วทางนี้ก็เพราะว่าได้เคยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่บ้างนั่นเองข้อนี้แสดงว่าอันความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นั้นแม้บุคคลจะมีอยู่บ้างก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลย อันที่จริงญาติพี่น้องและมิสหายผู้จากโลกมนุษย์ล่วงหน้ามาก่อนเราแล้วนั้นก็อาจจะช่วยเหลือเราได้บ้างเหมือนกันและท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เคยดูดานอยู่เรื่องเช่นนี้เลยแต่หลักธรรมดาก็มีอยู่ว่าจะต้องมีความสนใจหรือนึกถึงการและการทั้งสองฝ่ายซะก่อนโดยที่ความนึกถึงไม่จำเป็นจะต้องมีความรักสนิทสนมอย่างแน่นแฟ้นอยู่ด้วย ในโลกทิพนี้ความผูกพันทางจิตใจเป็นสื่อเครื่องเชื่อมโยงที่สาคัญมากเหลือเกินวิญญาณสองดวงที่ไม่มีความผูกพันทางใจต่อกันจะเข้ากันไม่ได้เลยถ้าท่านไม่เคยนึกถึงหรือให้ความสนใจต่อบุคคลที่จากไปสู่โลกทิพย์ก่อนท่านแล้วทางฝ่ายบุคคลผู้เข้าถึงโลกทิพย์มาก่อนนั้นก็จะไม่มีความสนใจหรือกระตือรือร้นในอันที่จะช่วยเหลือท่าน ดังนั้นความสนใจความรักและความเคารพนับถือซึ่งกันและการนี้เองจะเป็นห่วงสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้เข้าถึงกันได้อีกในภายหลังเมื่อสภาพทางจิตใจดังกล่าวไม่มีทั้งสองฝ่ายหรือทุกๆฝ่ายต่างก็จะหมดความหมายต่อกันและต่างก็จะท่องเที่ยวหรือดําเนินชีวิตไปในกลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจและอัธิยาศัยเข้ากันได้ สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนั้นมีแตกต่างกันหลายต่อหลายประเภทเหลือเกินจนกระทั่งไม่สามารถจะพนณานาให้สิ้นสุดได้นอกจากจะต้องบรรยายกันเป็นหนังสือเล่มโตๆโดยเฉพาะทีเดียวเฉพาะแต่และรายก็อาจจะแตกต่างกันอย่างมากมายดังนั้นข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องกล่าวถึงข้อความหรือสถานการณ์โดยทั่วๆไปเท่านั้น ความแตกต่างกันดังกล่าวมาแล้วนั้นนอกจากจะเป็นผลของทัศนะทางใจโดยส่วนตัวของแต่และบุคคลแล้วยังเป็นผลของการดำเนินชีวิตหรือว่ากรรมคือบุญและบาปที่เขาได้สั่งสมไว้ในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อีกด้วยในสมัยก่อนเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นทำให้ผู้คนต้องล้มตายพร้อมกันกล่าวละมากๆวิญญาณนับเป็นจานวนพันๆ ที่ต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ในภาวะของจิตที่ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารเหลือเกินในสมัยปัจจุบันบุคคลที่ต้องประสบมรณะกรรมพร้อมกันรคราวละมากๆในเวลาเกิดสงครามก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจไม่น้อยเช่นเดียวกันบุคคลผู้เป็นเหยื่อแห่งสงครามเหล่านั้นต้องถูกแรงผลักดันอันมหาศาลส่งให้เข้าสู่โลกทิพย์โดยกระทันหัน คือกายทิพต้องถูกเวียงหรือสลัดออกจากลายเนื้ออย่างรุนแรงมากแต่ในโลกทิพก็มีผู้ช่วยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอในเรื่องนี้เรามีสถานที่พักฟื้นอยู่เป็นจำนวนมากพอที่จะรับบุคคลเช่นนั้นมาไว้ให้การรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีการช็อกที่เกิดขึ้นแก่กายทิพที่ถูกสลัดออกจากลายเนื้ออย่างกระทนหันนั้น ไม่เหมือนกันกันกบการช็อกที่เกิดขึ้นกับกายเนื้อโดยลำพังเพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะต่อมาไม่เหมือนกันทีเดียววิญญาณที่ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานที่พักฟื้นของเราเป็นอย่างดีแล้วต่อจากนั้นจะไม่มีอารมณ์ค้างหรือผลร้ายทางจิตใจใดๆเหลืออยู่อีกจริงอยู่เจ้าตัวอาจจะนึกย้อนหลังไปได้โดยไม่ลืม แต่ก็จะไม่ฝังเป็นรอยประทับใจลึกลงไปในความรู้สึกแต่อย่างใดและถ้าหากบางครั้งเจ้าตัวจะนึกย้อนหลังไปได้บ้างก็จะไม่มีอารมณ์หวาดสะดุ้งลงเหลืออยู่เหมือนการชอ็อกซึ่งเกิดขึ้นกับกายเนื้อในโลกมนุษย์เลยคือถ้าเราเคยได้รับการช็อกทางกายเนื้อแล้วเวลานึกย้อนหลังไปความสะดุ้งหวาดกลัวจะไม่หายไปได้ง่าย ขอเท็จจริงดังกล่าวจะพิสูจน์ได้จากการสอบถามผู้ที่ได้ประสบมรณกรรมอย่างกระทันหันและวิญญาณของเขาเหล่านั้นถูกสลัดออกจากกายเนื้อเข้าสู่โลกทิพย์อย่างรุนแรงชนิดที่เรียกว่าตั้งตัวไม่ติดหรือเตรียมใจไม่ทันแต่เมื่อท่านเหล่านั้นได้สนทนากับข้าพเจ้าโดยเล่าเรื่องราวแต่คนหลังให้ฟังก็ปรากฏว่าท่านเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับความสยดสยองที่เกิดขึ้นกับตนเองมาแล้วนั้น ด้วยอารมณ์สนุกสนานครื่ครืน้นเสมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นกับผู้อื่นฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวมาท่านผู้อ่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเราชาวโลกทิพย์มองสภาพที่ชาวโลกมนุษย์เรียกว่าความตายนั้นแตกต่างจากชาวโลกมนุษย์มากมายเพียงใดชาวโลกมนุษย์มักถือว่าการตายอย่างรุนแรงหรือโดยกระทันหัน ที่เรียกว่าตายโหงเป็นของไม่ดีหรือเป็นอัปมงคลแก่ผู้นั้นแต่เราชาวโลกทิพย์กลับคิดถึงปริมาณแห่งกรรมที่เขาได้สั่งสมไว้ตลอดชีวิตของเขาเป็นใหญ่และสำคัญยิ่งกว่าวิธีการตายแม้สภาพคือความตายเองเราก็ถือว่าไม่ใช่มีความร้ายกาจหรืออัปมงคลแฝงอยู่แต่อย่างใดในโลกมนุษย์อาจมีการไว้ทุก และพิธีกรรมแสดงความเศร้าโศกกันอย่างไรก็ตามแต่วิญญาณที่ได้ทอดทิ้งร่างกายมาแล้วนั้นก็ยอมจะต้องไปสู่ภูมิทิพตามยถากรรมของตนทายเดียวโดยที่พิธีรีตองเหล่านั้นไม่อาจช่วยเหลือได้เลยดังนั้นเมื่อมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งได้ตายจากโลกมนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกับเราเราจึงต่างพากันต้อนรับด้วยความยินดีไม่มีการนุ่งดำห่มดำการไว้ทุก หรือความเศร้าโศกด้วยประการใดเลยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่มีพิธีรีตองถึงขนาดที่จะต้องมีคณะกรรมการต้อนรับมาคอยรับขวัญกันอย่างที่ชาวโลกบางคนคิดกันเช่นนั้นเราคงประพฤติตนกันอย่างธรรมดาสามัญเท่าที่คนธรรมดาสามัญทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติกันเราไม่ใช่เสรีชนแห่งโลกทิพเพราะเหตุสักว่าเราได้มีความเชื่อแปลก ดังเช่นทางการศาสนาทั้งโลกบังคับให้เชื่อแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมานโดยพระเจ้าเช่นนั้นการที่เราได้มาอยู่ณภูมิดังกล่าวนี้ก็ไม่ใช่เพราะเราได้รับการไถ่โทษบาปโดยความกรุณาของผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่เราได้มาอยู่หน้าที่นี้ก็เพราะเหตุว่าในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็ดีหรือว่าโดยการอบรมจิตของเราเองในระยะหลังจากนั้นก็ดี เราได้ทำตนให้เหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ที่นี้แล้วด้วยความภาคเพียรของเราเองเรามาอยู่ที่นี้ได้ก็เพราะว่าไม่มีใครสามารถจะกีดกันไม่ให้เรามาอยู่ณที่นี้ได้นั่นเองเมื่อเรามีสิทธิดังกล่าวแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะคัดค้านสิทธินั้นได้และแม้ต่อให้ใครสามารถจะคัดค้านได้เขาก็จะไม่คัดค้านเลย พวกเราในโลกทิพย์เป็นจํานวนมากถือว่าการจากโลกมนุษย์เข้ามาอยู่ในโลกทิพย์นั้นเท่ากับเป็นการเกิดครั้งที่สองเชนั้นดังนั้นจึงมีการฉลองวันเกิดครั้งที่สองนี้กันอย่างร่าเริงยิ่งกว่าการเกิดครั้งแรกในโลกมนุษย์สิ่งหมาเหตุผู้อ่าน การได้เกิดเป็นเทวดาหรือได้เกิดในโลกทิพนั้นก็มีความรู้จํากัดไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะครับตัวอย่างชัดคือในเรื่องนี้ที่คิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์คือการเกิดภพแรกและการเกิดเป็นเทวดาคือการเกิดครั้งที่สองและเชื่อมั่นว่าจะมีอายุยืนยาวอยู่ในภพนี้ไปช่วงนิรันด์วิชาทิฏฐิประเภทนี้จะเห็นผลเสียได้จริงในระยะยาวเท่านั้นสังสารวัตรนั้นยาวไกล มีโอกาสขึ้นสูงและลงตามได้ง่ายจึงรวมเรียกว่ายังอยู่ในกองทุกข์ถ้าหากไม่รู้ตามจริงไม่สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก็ไม่มีทางบรรลุธรรมหรือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นวังวนแห่งทุกข์และหาสาระอันแท้จริงไม่ได้นี่เลยเนะครับ